วันสอบไล่ปลายปีครูใหญ่โรงเรียนวัดโบสถ์ได้มาขอพบยายถึงที่บ้านแล้วความลับของเด็กชายเจริญก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปป้าจ่างครับผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดป้าจึงไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนครูใหญ่พูดขึ้นหลังจากดื่มน้ำฝนในขันเงินไปอึกใหญ่ๆไม่ร่วมมือยังไงจ้าครู ยายถามด้วยไม่เข้าใจที่ครูใหญ่พูดกบป่าไม่ยอมไปพบผมที่โรงเรียนสิครับผมให้หลานป้าถือหนังสือมาเชิญตั้งหลายหนครูใหญ่เฉลยฉันไม่เคยได้รับหนังสือที่ว่านั้นเลยจากครูหลานไม่เคยเอามาให้ฉันสักครั้งเดียวยายพูดความจริง คงไม่จาเป็นต้องบอกครูใหญ่กระมังว่ายายอ่านหนังสือไม่ออกเพราะถ้ายายได้รับก็ต้องให้หลานอ่านให้ฟังหากระแวงสงสัยว่าจะถูกหลานชายหลอกจึงจะไปไหว้วานคนอื่นให้ช่วยอ่านอีกครั้งแสดงว่าป้าไม่เคยได้รับหนังสือเชิญจากทางโรงเรียนเลยหรือครับครูใหญ่ชะงนถูกแล้วจากครู ยายตอบซื่อๆครั้นฉุกคิดได้ว่าคำพูดของตนอาจเป็นผลร้ายต่อหลานจึงแก้แทนว่าสงสัยว่าจะลืมให้มากกว่าด้วยพอกลับถึงบ้านก็รีบทำงานงกงกจนลืมนึกถึงเรื่องอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกครับป้าเพราะทุกครั้งที่ฝากมา ผมจะกำชับแล้วกำชับอีกพอรุ่งเท้าผมก็จะถามว่าให้หรื อ, อยังแกก็บอกให้แล้วแต่ยายไม่ว่างมาไม่ได้เมื่อครูใหญ่พูดมาอย่างนี้ยายก็ไม่รู้ที่จะแก้แทนหลานว่าอย่างไรได้แต่อ่อนอกอ่อนใจและนึกสมเพศตัวเองที่ถูกเด็กผมแกละหลอกอยู่ร่ำไปแล้วนี่ยังไม่กลับบ้านอีกหรือครับ คนเป็นครูใหญ่ถามด้วยเลยเวลาเลิกเรียนมา ก, กว่าสองชั่วโมงแล้วก็โรงเรียนยังไม่เลิกนี่จ้กครูโรงเรียนเลิกสี่โมงครึ่งยายบอกลืมไปว่าคนที่ตอนกำลังพูดด้วยนั้นรู้เรื่องโรงเรียนมากกว่าใครๆโรงเรียนเลิกบ่ายสองโมงทุกวันนะครับป้า ครูใหญ่ยืนยันถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฉันถูกหลานหลอกอีกยายพูดชุนชุนก็คงจะอย่างงั้นแสดงว่าแกกลับเย็นทุกวันเลยหรือครับจะครูเขาจะถึงบ้านหาโมงกว่าทุกวันแล้วก็จะหุงข่าว น้ำผ่าฟืนเข้าจ่วยงานฉันทุกอย่างเลยจ้ะยายพยายามพูดถึงความดีของหลานถ้าฉันนั้นแกก็เป็นหลานที่ดีแต่เป็นสิทธิ์ที่เลวอาคันตุ ก, กะสรุปหลานฉันนะหรือเลวสิ่งของยายบ่งบอกว่าไม่พอใจหลานจะดีเลวอย่างไรก็ไม่อยากให้ใครมาว่า ยายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยฟูมฟักรักใคร่ประหนึ่งสายเลือดในอกเมื่อใครว่าเขายายจึงรู้สึกร้อนหนาวกระทบกระเทือนเหมือนตัวเองถูกว่าเร็วหรือไม่เร็วป้าก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันโรงเรียนเลิกบ่ายสองแต่แกกลับบ้านห้โมงเย็นทั้งที่โรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้และที่ผมจะมาบอกให้ป้ารู้คือ แก่นี้โรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทุกวันไปเรียนแต่ช่วงเช้าพอช่วงบ่ายก็หนีไปเที่ยวยิงนกตกปลา ก, กับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันนะหรือครูยายเพิ่งทราบความจริงถูกแล้วครับป้าแกเป็นหัวโจกชวนเพื่อนแกงั้นก็แสดงว่าหลานฉันไม่ได้เลวคนเดียว ลูกหลานคนอื่นกาะเลวด้วยยายพยายามหาพวกให้หลานแต่หลานป้าก็เป็นหัวจกชวนลูกหลานคนอื่นเขาเกยนะครับครูใหญ่อโอ ก, กรธที่เห็นคนอายุ80พูดเข้าข้างหลานครูมีหลักฐานอะไรมาพูดอย่างนั้นลูกหลานคนอื่นอาจชวนหลานฉันเกยก่อได้ ยายคาดเดาเอาละเอาละผมไม่เถียงกับป้าก็ได้แต่ที่มานี่ก็เพื่อจะบอกว่าสิ้นปีนี้ป้าหาโรงเรียนใหม่ให้แกเรียนได้แล้วโรงเรียนวัดโบสถ์ไม่ต้อนรับนักเรียนผู้นี้อีกต่อไปเพราะทาให้โรงเรียนเสียชื่อคําบอกเล่าของครูใหญ่ทำให้ยายตนกพูดเสียงอ่อนลงว่า ถึงกับไล่ออกเชียวหรือครูไม่ใช่ไล่ออกเขาเรียกว่าถูกเชิญให้ออกนี่ผมยังมีเมตตานะที่ไม่ให้ออกกลางคันด้วยเห็นว่าใกล้สอบแล้วผู้มาเยือนพูดเอาบุญเอาคุณถ้าครูมีเมตตาจริงก็น่าจะให้เขาเรียนจนจบมัธยมสามก่อนได้ไหมจ้ะครู ยายพยายามต่อรองไม่ได้หรอกครับป้าแค่นี้พวกครูน้อยเขาก็จะเล่นงานผมแย่แล้วแม้แต่พานโรงก็ยังขู่ว่าจะลาออกถ้าผมขืนให้หลานป้าเรียนต่อไปครูใหญ่อ้างถึงปัญหายุ่งยากที่เนื่องมาจากเด็กชายเจริญจรูนรัตมีหลานฉันขนเดียวหรือที่ถูกเชิญให้ออก ยายถามไปอย่างนั้นเองมีเพื่อนสนิทของแกอีกสองคนคือเด็กชายจํหรัดนกนอกกับเด็กชายกันเทียงคำมีครูใหญ่ตอบนักเรียนสองคนที่เข้าเอ่ยชื่อคือเด็กชายจุกกับเด็กชายโก้เพื่อนรักเพื่อนเกลอของเด็กชายผมแกะนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะ เมื่อครูไม่เมตตาหลานฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรยายพูดเหมือนคนปลงตกคิดว่าจะเข้าไปในเรือนเอาละมุดสุกกับกล้วยน้าว้ามาให้ครูใหญ่เอาไปฝากลูกก็มีอันต้องเลิกล้มความคิดในเมื่อเขาไม่มีเมตตาต่อหลานของยายยายก็ไม่ควรจะมีเมตตาต่อลูกของเขาเมื่อครูใหญ่บอกลา ยายจำต้องลงมาส่งถึงหน้าประตูรัว้วรถนังด่างกับนังดำไม่คุ้นกับอาคารตุกะผู้นี้จึงอาจทำให้ขาแข้งของคนเป็นครูใหญ่ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรเด็กชายเจริญกำลังจะเข้าบ้านเขาเห็นครูใหญ่ตั้งแต่ฝ่ายนั้นเดินลงเรือนมา พอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นกระนั้นก็ไม่วิตกทุกข์ร้อนยายไม่ได้เขี้ยนเขาอีกนับตั้งแต่วันที่เขาทำหม้อข้าวแตกถ้าเรื่องที่ครูใหญ่รายงานยายมันสาหัสสาการนักอย่างดีเขาก็ถูกยายเคี้ยนหรืออาจจะถึงขนาดโยงกับขือซึ่งเขาเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นจึงไม่น่าที่จะต้องกลัวอะไรเด็กชายแฝงกาย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 ยายจึงหันหลังกลับเพื่อจะขึ้นเรือนเด็กชายออกจากที่ซ่อนย่องไปข้างหลังผู้เป็นยายแล้วจี้ที่เอวอย่างแรงจะเอเข้าส่งเสียงทักทายรากับยายเป็นเด็กว้ายตาเห็นหอกหักยายอุทานด้วยความตกใจครั้นเห็นว่าเป็นหลานจึงบริภาดเด็กบ้า ทำยายตกใจหมดครูใหญ่เขามาทำไมหรือครับยายเด็กผมแกลถามเขามาต่อว่ายายว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือมาเชิญไปพบยายก็ไม่ยอมไปยายพูดเรื่อยตั้งใจว่าจะไม่บอกเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออก ด้วยเห็นว่าใกล้จะสอบแล้วรอให้สอบผ่านเสีก่อนจึงค่อยว่ากันใหม่ เ, เมื่อยายหลานพากันขึ้นมาบันเรือนแล้วคนเป็นหลานจึงถามขึ้นว่าทำไมยายถึงไม่ไปพบครูขอล่ะครับคนถามแซงทําเป็นไร้เดียงสายายนึกมันไสจึงว่า ก็คนที่ครูใหญ่ฝากให้ถือหนังสือมาเขาไม่ได้นำมาให้ยายนะสิยิ่ง ก, กว่านั้นพ่อครูถามก็โกหกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาเองเอ็งอยากรู้ไหมว่าคนคนนั้นเป็นใครไม่อยากรู้ครับเด็กชายตอบทันที แต่เอ็งจะต้องรู้ถึงไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไอ้หนูเอ็งมีความผิดลลายกระทงรู้ไหมเอ็งหลอกลวงผู้ใหญ่พูดบดมดเท็ดบอกยายมาสิว่าสิ่งที่เอ็งทำนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปยายถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่งสอน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 ตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดไม่เชื่อแล้วทำไมเองถึงตอบถูกว่าคนทำชั่วตายแล้วจะไปตกนรกคนถามคาดคันพยายามปลอบใจตัวเองว่าใจเย็นๆอยากให้หลานเป็นคนดีต้องค่อยๆ อ, อบรมบ่มนิสยัยอย่าใจร้อนวู่วามก็ยายพูดกรอกหูผมอยู่ทุกวัน ทำไมผมจะจำไม่ได้เด็กชายตอบอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านคนฟังรู้สึกอ่อนใจแต่แล้วก็ใจอ่อนเมื่อนึกถึงเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียนจึงถามเป็นงานเป็นการว่าทำไมเองถึงไม่เอาหนังสือมาให้ยายเอ่ไอ้หนูก็ครูเขาไม่ได้บอกว่าให้เอามาให้ยายนีครับ เขาบอกว่าให้เอาไปให้ผู้ปกครองตังหากหลานชายแก้ตัวน้ำขุนๆอ๋ออย่างนั้นหรอกหรือถ้าเช่นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเองนี่นะยายแซงทําเป็นเออ อ, อหอบ่อกถูกแล้วครับยายไม่ใช่ความผิดผมสักหน่อยหลานชายว่าเอ๊ะ แต่เวลาที่ครูเขาถามทำไมเองถึงบอกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาล่ะยายค่อยๆตะล่อมหลานชายเริ่มจะรู้สึกว่าถูกคนเป็นยายต้อนให้จนมุมกระนั้นก็ยังตอบว่าผมแกล้งครูใหญ่แกเล่นนะยายก็ชอบมาวุ่นวายกับเรื่องของผมผมเลยแกล้งเอา แล้วที่เองหนีโรงเรียนช่วงบ่ายไปยิงนกตกปลากับเพื่อนทุกวันจนไม่รู้ไม่กระทั่งว่าโรงเรียนเลิกกี่โมงกี่ยามนะ่ะเป็นเพราะต้องการแกล้งครูใหญ่ใช่ไหมยายเริ่มรุกทำไมผมจะไม่รู้ก็บอกยายตั้งหลายหนหลายครั้งแล้วว่าโรงเรียนเลิกสี่โมงครึ่ง เด็กชายยืนยันเขาไม่รู้จริงๆว่าโรงเรียนเลิกบ่ายสองตั้งแต่เรียนมาจนกระทั่งจะครบปีอยู่แล้วก็ยังไม่เคยอยู่จนถึงโรงเรียนเลิกเลยสักวันเดียวเองแน่ใจนะไอ้หนูว่าไม่ได้โกหกยายแน่ใจสิครับผมจะโกหกยายไปทำไมคนโกหกตายไปต้องตกนรกถึงผมจะไม่เชื่อว่านรกมี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 เอาตัวใหม่รอดยายเริ่มเทศเห็นหลานไม่โต้เถียงจึงถามว่าทำไมเอ็งถึงหนีโรงเรียนได้ทุกวันเหอไอ้หนูบอกยายมาสิผมเบื่อครับยายผมเบื่อเรียนหนังสือเด็กชายสารภาพทำไมถึงเบื่อละ่ะแล้วเอ็งจะไปทำอะไรกิน อายุก็ยังน้อยคนอายุ8ปดสิบออกจะเป็นห่วงอนาคตคนเป็นหลานก็ครูสอนไม่ดีนี่ครับยายสอนไม่รู้เรื่องเลยพอถามก็ดา่าไม่ด่าก็ตีผมก็เลยเบื่อไม่อยากร่ำอยากเรียนอีกต่อไปพูดจากความรู้สึกที่แท้จริงที่ว่าสอนไม่ดีนะสอนอยังไง พอจะบอกยายได้ไหมยายถามอย่างสนใจถึงหลานจะชอบพูดปดแต่ก็ใช่ว่าจะโกหกไปซะทุกเรื่องเขาชอบสอนซ้ำซากจำเจแต่ละคนที่เข้ามาสอนก็ทำเหมือนกันหมดคือมือซ้ายถือหนังสือมือขวาถือช็อกทำให้เขียนตามคำบอกก็ให้ลอกกระดานดำมีแค่นี้เองผมก็เลยเบื่อเพื่อนๆ น, นของผมก็เบื่อ เลยพากันนี้โรงเรียนเขาหมายถึงเด็กชายจุกกับเด็กชายโก้หนีกันหมดห้องเลยหรือยายถามอย่างใจเย็นที่สุดไม่หมดหรอกครับพวกโง่ๆก็ทนเรียนไปพวกที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะหนีแต่คนโง่งมีมากกว่าคนฉลาดนะครับยายฉะนั้นไอ้พวกที่ทนเรียนจึงมีมากกว่าพวกที่หนี คนฉลาดพูดแบบฉลาดฉลาดแต่ยายลงความเห็นว่าเขาฉลาดแกมโกงเอาละทีนี้ตอบยายมาทีสิว่าถ้าเองไม่เรียนหนังสือแล้วเองจะไปทำมาหากินอะไรโบราณท่านสอนว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์ ถ้าเองไม่หาวิชาไว้เสร็จแต่ตอนนี้วันข้างหน้าเองจะเอาซับมาจากไหนผมก็จะไปหาวิชาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนวัดบทหลานชายตอบวิชาอะไรไหนบอกมาสิว่าเองจะไปหาวิชาจากที่ไหนวิชาดนตรีไทยครับ ผมชอบดนตรีไทยนี่ผมก็แอบไปเรียนที่บ้านครูสมใจทุกวันจนเดี๋ยวนี้เล่นเก่งแล้วเด็กชายคุยอวดแล้วเอาเงินที่ไหนไปเป็นค่าเรียนเขาคิดค่ายกครูเท่าไรเขาไม่ได้คิดเป็นเงินหรอกครับผมหาดอกไม้ทูกเทียนใส่พานไปทำพิธีขึ้นครูและผมก็ทางานแลกวิชา เช่นช่วยเขาถูบ้านตักน้ำกว่าจะได้เรียนก้อเหนื่อยเลยเพราะบ้านครูเขาหลังใหญ่น้ำก็มีตั้งหลายตุ่มต้องตักให้เต็มทุกตุ่มเขาจึงจะสอนให้ผมเรียนเวนลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่สี่โมงเย็นไปจนถึงห้าโมงช่วงสามโมงถึงสี่โมงผมก็ทำงานให้เขากว่าจะได้วิชานี่ลำบากจังนะครับยายฟังหลานพูดยายรู้สึกปิติ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 พูดหมายเอาใจคนเป็นยายยายไม่ได้เป็นคนเรียนหนี่นะยายออกตัวถ้าอย่างนั้นเอาวัดชลอนก็ได้ลองดูถ้าไม่ดีก็าย้ายไปวัดพรมสาครนยายว่าดีไหมครับดีถ้าสอบได้ก็ดีทั้งนั้นแหละคงไม่ต้องสอบหรอกครับเขามีสอบเฉพาะป .4 เข้ามัธยมหนึ่ง ส่วนมัธยมสองไม่ต้องสอบเข้าถ้าเช่นนั้นก็คงต้องหาคนที่มีหน้ามีตาช่วยฝากให้ยายรู้สึกลำบากใจในเรื่องนี้ทำไมต้องหาล่ะครับก็ในเมื่อยายฝากเองก็ได้เพราะยายมีครบทั้งหน้าทั้งตาแถมหน้าสวยตาก็หวานขนาดอายุ8ปสยังมีเขาสวยอยู่เลย คนพูดเริ่มยั่วด้วยการยกหยอป่อปัน้นเอ็งอย่ามาย่อยายเลยไอ้หนูยายรู้ตัวดีว่าแก่แล้วแต่พูดก็พูดเถอะตอนสาวๆนะ่ะยายไม่ผิดจากที่เอ็งพูดเท่าไรหรอกยายถือโอกาสคุยบ้างแม้ผมอยากเห็นตอนยายสาวๆจังเลยเสียดายที่เกิดมาช้าไป ไม่เช่นั้นตาจะต้องมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนคือผมพอแล้วไอ้หนูพอแล้วชักจะพูดจ่าเละเธอใหญ่แล้วเองนี่ไปเธอจะค้ำแล้วรีบไปหุงหาข้าวปลากินกันครั้นหลานลุกออกไปยายจึงพูดตามหลังว่าไอ้หนูยายนึกออกแล้วว่า ให้ใครฝากเองเข้าเรียนที่วัดฉลอนใครครับหลานชายถามเขารู้ว่าถึงอย่างไรยายก็จัดการเรื่องเรียนให้เขาจนได้ท่านสม่านวัดศรัทธาพิรมเห็นว่าครูใหญ่โรงเรียนนั้นเป็นลูกหลานท่านยายบอกเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ ดีครับท่านคงไม่ขัดข้องเพราะยายกับท่านก็คุ้นเคยกันมานานผมนะ่ไม่ห่วงหรอกเพราะคนชื่อเจริญก็ต้องเจริญอยู่วันยังค่ำคนอายุ12บสองคุยโว